อยากเดินยาเป็นคนช่วยหูพ่อแม่ ลำบากเพียงใดจะไม่บ่นให้รำคาญมาสิมามาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บ้าน้างา ม, มีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาบ้านที่ขาดคนหุง เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดคุณจะใจใช้น้ำสกุลโดยไม่คิดคุณค่ามารับพี่เถิดแม่ยอดชีว่า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 แม่ยอดชี้ว่ามาที่มาเป็นทองแห่เดียว